นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางพียวธรรมะ .com อาตมาพระไพบูุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไหนโกรุดรนธานีทุกสัปดาห์ก็มากับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกราบนมัสการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์ณัฐพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับตอนนี้เป็นตอนที่5้าสแล้วคุณหมอณัฐพงศ์ห้าสิบเอ็ดนะห้าสิบหนึ่งนะครับเป็นตอนสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสิบสี่ครับก็เราจัดมาได้ปีหนึ่งแล้ว นะแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปีที่2ขึ้นปีที่2ของการมีพิเอลธรรมะพอดแคสต์นี้ัทางออนไลน์ครับภาคออนไลน์เปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์ก็จะค่อยๆติดตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของรายการต่อไปก็แล้วกันท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็คิดว่าการติดต่อสื่อสาร ก, กันก็สามารถทําได้ด้วยวิธีทางเว็บไซต์รนะที่พิเอลธรรมะ .com เนาะบอสพลง มีเรื่องสืบเนื่องนิดหนึ่งที่จากการจัดรายการในภาควิทยุท<า><ะ>ี่ออกมาได้จัดมีทั้งทาง f อ106อก๋อกกับคุณสรรศรีนักนญญพงศ์แล้วก็มีทางรายการทางสอวทอสานีวิทยุกระจายเสีงเงเยงประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันเลยก็มีประเด็นที่น่าสนใจคิดว่าผู้ฟังทางภาคออนไลน์เนี่ยน่าจะได้นามาทราบไ้ด้วย แล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยเนื้อที่ตรงนี้เรามีเวลาอธิบายกันมากครับก็มีคําถามมาจากคุณอะไรล่ะอ๋อคุณเป็นพรคุณเป็นพรใช้คําว่าชื่อพรเป็นพรครับครับคือขออนุญาตอ่านคําถามให้นะครับท่านก็คือท่านท่านถามมาว่าในเรื่องของกรณีที่จิตอธิษฐานการงานคือบอกว่าให้จิตเนี่ยอยู่ที่กายตลอดเวลาเช่นเวลาขับรถหรือกวาดบ้านก็ให้ระลึกรู้อยู่ว่า หายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลานะครับคือถามว่าให้เลืกลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจหรือว่าระลึกอยู่ว่าตอนนี้กำลังขับรถหรือกวาดบ้านนะครับซึ่งตัวนี้น <ๆ S 1> หลายๆคนเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะมีความสับสนว่าเอ๊ะตอนที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราจะรู้ลมดีหรือว่าเราจะรู้การงานดีเราเดินอยู่เนี่ยเราจะรู้การเดินดีเราจะรู้ลมดีอย่างนี้นะครับซึ่งทั้งหมดจริงๆแล้วพวกนี้คือกายคตาสติได้ทั้งนั้น ทําได้ทั้งสองแบบแต่คุณทําถูกรหรือเปล่าไม่รู้นะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเราต้องดูตรงนี้มาตรพงศ์อย่างเวลาลมหายใจเนี่ยพระรุชาบอกว่าปริมุขขังใช่ไหมคือทางเข้าออกลมหายใจอันนี้เราเคลียร์กันไปแล้วตั้งแต่ตอนที่20 30นโบสามน่นอ่านาปนสติคใช่ทีนี้เราไม่ตามลมไม่อะไรทั้งสิน้นทีนถ้าคุณตามลมเนี่ยคุณตามลมเข้าออกถ้าจิตคุณยังไม่ยังไม่นิ่งนะยังไม่เป็นสมาธินี่คุณจะปวดหัวไปเลย นะมาคอยตามเล่าข้าวตามลงออกเนีเ่ยมันถ้าจิตเรายังไม่เป็นสมาธิเลยเนี่ยนะมันมันจะไปไม่ไดนะ้แต่ถ้าจิตเราเป็นเริ่มเป็นสมาธิแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งๆเอาไว้จุดเดียวเนะี่ยคือจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นสมาธิลึกได้ลงไปเรื่อยๆทีนี้เหมือนกันกับการเดินถ้าเราเอาจิตไว้ตามเทา้าจิตไปกับเทา้นะเาเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่หัวแม่โป้งเท้าซ้ายแล้วก็อยู่หัวแม่โป้งเท้าขวาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวลาเราจิตสงบไปเนี่ยมันจะ ข้ามขามันจะขัดกันเข้าใจไหมอรรมาเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเวลาเราเอาจิตเอาไว้เนี่ยเราเอาจิตไว้กับการเดินเหมือนเราเอาจิตไว้กับลมหายใจหมอนระพวงเราไม่ได้ตามลมเราเอาจิตไว้กับการเดินเราไม่ได้ตามเท้าเข้าใจไหมเราเอาจิตไว้กับการเดินการเดินมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนการเดินโอ้ยพูดยากเอาใหม่เราดูเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอ ร, คร์ครับถ้าถ้าทุกคนเคยเห็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ย เวลาเฮลิคอปเตอร์มันบินมาเราเห็นว่ามีเฮลิคอปเตอร์อยู่เนี่ยเราเรารู้ได้ไงว่าอันนี้คือเฮลิคอปเตอร์คือคือเราดูตรงไหนของมันดูปีกมั น, ด, มนดูเครื่องมันม ด, ดูคนขับมันมหรือดูหางมันรหรือดูที่ขามันเวลามันจะลงจอดดูตรงไหนคือคือคือเราแค่ทำในใจว่าเฮลิคอปเตอร์จบอใช่ครับก็จะไหมคือเราไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงไปตรงนั้นคือเหมือนกับว่าเราเป็นกลมๆใหญ่ๆแล้วอันนี้คือเฮลิคอปเตอร์จบ คือุณไมไ่ต้องไปดูในรายละเอียดมันเล็กๆน้อยๆอย่างลมหายใจอย่างเงี้ยเราก็แค่รู้ว่าลมอยู่ตรงนี้คือมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมากําหนดจุดนี้นะลึกเข้าไปจากปลายจมูกสามเซนติเมตรแล้วก็เอียงไปทางขวาอีกสององศาตรงเนี้ยขนาดหนึ่งตารางมิลลิเมตรตรงนี้แหละคุณเอาจิตไปตรงนี้มันไม่ใช่อางนั้นไงมมันไม่ใช่อย่างนั้ น, นไงนนไม่ต้องลงรายละเอียดใช่ไหมครับคือหมายว่าคือแค่นี้ก็คือแค่เนี้ย <Okay. S 1> คือเรารู้ลมหายใจคือตรงนี้ แมยยนะ <S <S ่มันอธิบายยากนะอ่ามันอธิบายยากแต่มันตรงเนี้ยคือจิตของเรามันอยู่ตรงนี้คือเราจิตของเราจับต้องไม่ได้ใช่ไหยแต่ถ้าเวลาเราจะมารู้ลมหายใจเนี่ยเรารู้ตรงนี้ <S <S ตรงนี้ก็คือตรงนั้นน่ะที่เรารู้ลมหายใจได้อะ่ะแต่เราไม่ได้วัดมา ก, กี่ตารางมิลลิเมตรกี่องศาใครๆมันก็รู้มาแล้วถ้าบอกครับเช่นเดียวกับการเดินการเดินถ้าเธอดูดีๆนะเวลาที่เธอเดินเนี่ยนะเเธอจะรู้ว่าเราเดินอยู่เนี่ย มันไม่ได้ไปกับเท้าซ้ายเท้าขวานะมันจะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดการเดินโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนที่ก็<ม>ใช่ไหมอย่างคนเดินมาอย่างเงี้ยเรามองว่าเดียวเรารู้แล้วว่า อ, อ๋ออันนี้หลวงพ่อด็อกเตอร์เดินมาอันนี้เป็นคราบว่าดเดินมาอันนี้หมอรัตนงศ์เดินมามโดยที่ยังไม่ต้องดูหน้าด้วยซ้าบางที่เรารู้โอ้ออเพราะว่าสุดทรงหรือว่าท่าทางการเดินปุ๊บเรารู้เลยว่าคนนี้เดินมาอื ม, มเพราะว่าเราทําในใจแค่ตรงนั้นเฉยเฉยเข้าใจไหมโดยที่ไม่ต<ม>้องลงรายละเอียดว่า โอ้นี่สีเหลืองนี่ต้องข่มจีวรลิ้วอย่างนี้ตรงนี้นะเป็นผ้าสีนี้มันวับเดียวมันจะรู้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจิตอธิษฐานการงานอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่าไปอยู่กับเขียนหนังสือตัวไหนอะไรไงคือเราแค่ทำงานอยู่จิตของเราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นความโฟกัสของจิตเนี่ยมันจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันเข้าใจไถ้าเราไปอยู่ในเฮลิคอปเตอร์แล้วเนี่ย คุณจะทําในใจซึ่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็อีกแบบหนึ่งกับตอนที่คุณอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยคุณจึงต้องเป็นคนที่ฉลาดมากเหมือนกับว่ า, าพ่อครัวที่ผู้เช้าเคยยกตัวอย่างว่ า, ารู้จักปรุงรสอาหารนะมีพ่อครัวสองคนนะครปรุงอาหารถวายพระราชาพ่อครัวคนแรกนี่ไม่ฉลาดนะไม่รู้จักสังเกตรสชาติอาหารของตัวเองว่าพระานนพราชาวันนี้กินามากกินน้อยอกินหมดอันไหนโชว์อันไหนไม่ชอบอันไหนไม่รู้จักสังเกตใช่ไหม แต่ว่าคนที่สองเนี่ยรู้จักสังเกตรสชาติอาหารของตัวเองอ๋อวันนี้พระราชากินอันนี้มากกินอันนี้น้อยชมอันนี้ไม่ชมอันนั้นงั้นเราทําแกงนี้เปลี่ยนแปลงนี้ปุ๊บปคนที่สองเนี่ยจะได้ค่าใช้จ่างรางวัลเยอะส่วนคนแรกนี้ได้นิดเดียวหรือแทบจะไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้จักสังเกตดิมิตแห่งอาหารของตัวเองคือไม่รู้จักสังเกตรสชาติอาหารของตัวเองครับคนที่ทําให้เป็นหมอตะทงสองคนนั่งด้วยกันพระสองรูปนั่งหน้าพระประธานเนี่ยครับอ่า คนนี้ก็เจริญสี่ประฐานคนนี้ก็เจริญสี่ประฐานาคุณเจริญอะไรฉันก็เจริญกายาคตาสติคนนึงก็เจริญกายยาคตาสติเอาทํำยังไงก็ไม่ให้จิตออกไปนอกกายอีกคนหนึ่งก็ไม่ให้จิตออกไปนอกกายแต่คนแรกทําไม่ได้จิตไม่สงบฟุงงซ่านคิดนั่นนี่มีนิวารนิวา น, น, วานไม่ได้แต่ <Okay. S 1> คนที่สองทำจิตให้สงบได้ตั้งมั่นได้และเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอัศวะได้เพราะอะไรเพราะว่าคนแรกเนี่ยไม่ฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตน ห, หมายความว่าอะไร หมายความว่าคุณดำรงจิตไม่ผิดที่ยังไงยกตัวอย่างของลมคุณไปตามลมครับนะด้วยคุณอย่างของการเดินคุณไม่เอาจิตอยู่ในตําแหน่งของการเดินแต่ไปตามเท้าหรือยกตัวอย่างของดูเฮลิคอปเตอร์เห็นสิ่งที่เห็นอย่างเงี้ยคุณไปตามในรายละเอียดตรงนั้นมากเกินไปคืออันนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้ลงไปในรายละเอียดนะบางทีถ้าจิตเรารวมเล็กลึกลงไปแล้วเนี่ยมันเล็กนิดเดียวมันยิ่งลงไปละเอียดกว่าหนึ่งตารางมิลลิเมตรด้วยอืแต่คือมันมันใหญ่มันเล็กได้มันซูมได้อนะ มาก็ใครเคยเห็นเวลาเขาอยู่บนเวทีเขาจะมีสปอตไลท์อ่ะครับท่านพงศ์มาสปอตไลท์เนี่ยเวทีทั้งหมดมืดหมดใช่ไหมสปอตไลท์เนี่ยมันทําให้โซนนั้นสว่างอยู่จุดเดียวใช่ไหมแล้วสปอตไลท์เนี่ยมันใหญ่มันเล็กได้ใช่ใช่ใช่ครับสมมุติเราฉายไปที่ดาราที่อยู่บนเวทีเขาเดินมาอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการซูมไปในจุดเข็มขัดของเขาเนี่ยสปอตไลท์ก็ทําให้เล็กไปเฉพาะเข็มขัดก็ได้ ถ้าเราจะทำให้ใหญ่ทั่วตัวเขาสปอตไลท์มันก็ขยายออกมาเฉพาะตัวเขาได้ทีนี้ถ้าเปิดไฟหมดพู้มก็เห็นหมดเลยว่าใครบนเวทีบ้างอย่างนะนี้นะเนี่ยคือคจิตที่มันสามารถไปจดจ่ออยู่บริเวณนั้นได้ไงแสดงว่าในการการภาวนานเนี่ยก็ไม่ให้ให้มองเป็นรวมๆดูดูลักษณะรวมๆไม่ต้องไป ดูลักษณะละเอียดย่อยอย่างนี้นะพูดอย่า น, นไม่ได้เพราะว่าถ้าเราพูดอย่างนี้ในบางครั้งจิตมันรวมลงไปมันจะละเอียดย่อ ย, อยงไง<อ>เพราะเราจึงพระเจ้าจึงบอกว่าคุณต้องเป็นผู้ฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตน อ, อถ้ามันรวมลงไปแล้วคุณยังไปฝืนเนี่ยคุณก็จะไปต่อไม่ได้อใช่ครับมันก็จะสมาธิไม่ลึกลงไปเรื่อยๆครใช่ไหมเพราะมันซูมเล็กลงไปแล้วมันก็ต้องค่อยๆเล็กลงไปแต่ถ้าจิตเรายังไม่มีกําลังเลยจะไปเล็กๆตรงนั้นคุณก็ทําไม่ได้เพราะมันก็จะวุ่นวี่วุ่นวายไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลง อย่างนี้นะเพราะนั้นจึงต้องเป็นผู้ฉลาดในวาระแห่งจิตของตนเองคือเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วจิตเราสงบตอนนี้เอมาตอนบ่ายมันไปอีกอย่างหนึ่งถ้าเราอีกอย่างนึงจิตมันสงบก็เอาอย่างนั้นแหะครับออืมเคเพราะฉนั้นอย่างเวลาคนขับรถอย่างเงี้ยคุณขับรถเอเรามีสมาธิอยู่ในลมหายใจมีสติอยู่ในลมหายใจขับเลยบ้านเฉยเลยอืมไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสตินะมีสตินะแต่อยู่กับลมหายใจเล็กมาก จนกระทั่งเรื่องอื่นนี่แบบลืมนึกในว่าว่าเรารจะต้องเลี้ยวตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีเราเรามีสติอยู่ในจิตอธิษฐานการงานอย่างเงี้ยก็ทําทําไปทําทําไปงานเราจะไม่พลาดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าจะให้มันรวมเล็กลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้อืมอใช่ครับมันจะเป็นล<ช>ักษณะนี้มันก็ก็ทําไปคือคุณต้องฉลาดในวราระจิตงของตัวเองอื ม, อมครับ พระพุทธ้าใช้คําว่าเป็นผู้ฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตนนิมิตเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายนิมิตตรงนี้แหละหมอรัตพ์ที่เป็นเครื่องหมายของว่าการเดินอยู่ตรงนี้นิมิตตรงนี้แหละคือการใส่เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ลมหายใจอยู่ตรงนี้คือลมหายใจมันจึงเห็นง่ายไงมันง่ายจนกระทั่งบางคนไปคิดว่าโอ้โหไม่ง่ายเกินไปหรอือเปล่านี่มรรคผลนิพพานหรอือเปล่านี่ทำไปนิพพานเหรอทําไมง่ายอย่างนี้มันง่ายอย่างนี้แหละ เหมือนคำสั่งทหารหมอรัพย์พงศ์เด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนนะเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนยังไงนะครับท่านเช่นเดียวกันไอ้จุดที่เราบอกนิมิตเนี่ยมันแน่นอนมันง่ายๆแต่มันไม่ง่ายนะตรงที่ว่าตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยไอ้นิมิตแหงสิทธิ์ของเรานะมันเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยไอ้จุดที่เราจุดที่เราบอกว่ารู้ลมหายใจเนี่ยมันก็ใหญ่เล็กเหมือนกับสปอตไลท์ที่มันซูมเข้าขยายออกคือใหญ่ได้เล็กได้ ครับอ่าคือมันไม่แน่นอนแต่ตรงนี้เท่านั้นเองไม่เปลี่ยนแปลงแต่ไอ้จุดนั้นมันไม่แน่นอนไงครับอ่าไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าก็ก็ผมว่าก็เข้าใจได้นะครับอ่าเองเวลาเดินง่ายๆอย่างเวลาเดินจงกรมนะหมวดหลทพงครับเอ่อคุณอย่าเอาจิตไว้ที่เท้าแต่ถ้าเราจะไม่เอาจิตไว้ที่เราหายใจได้ไหมได้ให้เอาจิตไว้ที่ไหนไว้ที่การเดิน การเดินไปอยู่ตรงไหนอืมไม่ได้อยู่ที่เท้าหรอกเข้า<ม>ใจไห ม, ไมอยู่ที่จุดการเดินนะอูยมันไม่รู้จะพูดยังไงคืออามารย์สัมผัสไหมครับืออตมายังไม่เชี่ยวชาญเรื่องการเดินมากเท่ากับการนั่งสังเกตลมหายใจอนะแื่หมายความว่าเวลาเราเดินเราก็สังเกตลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นเราทําอย่างที่พระเช้าสอนมากคือเรื่องลมหายใจเพราะฉนั้นอามาจะชนานาญแต่ถ้าเป็นวิธีอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อว่าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องครับเราไม่สามารถบอกได้ว่า คุณจะเอามีสัมัชัญญะในทุกอิเล็กตรอนเนี่ยโอเคที่อาตมาทำคือไว้ที่ลหมหายใจอย่างนี้อื่นเราไม่ได้ทำแต่ถ้าจะให้บอกก็คือบอกได้อย่างนี้ว่ามันจะเป็นการลักษณะเนี้นะเพราะนั้นจึงไม่อยากอยาให้จิตของเราออกนอกผิวหนังก็แล้วกันให้จิตอยู่ในกายให้กายเป็นตานที่ตั้งของสติบางที่ใหญ่บางที่เล็กมันก็เป็นไปตามสภาวะแห่งจิต นี่คือเรื่องที่หนึ่งคำถามต่อไปเกี่ยวกับมีค ำ, บคำถามต่อไปที่ผ่านมาอของท่านผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับคือถามเรื่องเกี่ยวกับการบูชาพลีกรรมเทวดาก็คือท่านผู้ถามเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะมีซื้อผลไม้มาถวายพระสารพระภูมิแล้วก็เทวดาที่คุ้มครองบ้านเนี่ยเป็นประจําแต่ว่าตั้งแต่ได้ศึกษาพุทธวจนะก็เลยเลิกทำํำเพราะว่าคิดว่า ควรเป็นเรื่องของกรรมแล้วก็ผลของกรรมไม่ไม่ได้ไปขอเทวดาละแต่ว่าสิ่งที่ทําเพิ่มก็คือว่าหลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาเสร็จท่านก็ได้แผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางอย่างเงี้ยก็คือขอความเห็นพร ะ, พระอาจารย์ว่าลักษณะนนเนี้ยเป็นถูกต้องหรือว่ า, าดีไม่ดีอย่างไรนะครับ ก, ก็ก็ทำได้นะดีคือหมายความว่ า, าบูชาเทวดาคือพลีกรรมเนี่ยต้องทาให้เข้าใจก่อนคือการ สงเคราะห์เทวดาใช่ไหมสงเคราะห์เทวดาคือใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะสงเคราะห์เทวดานะใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะสงเคราะห์เทวดาเพราะฉะนั้นมสมมุติคุณตั้งศาลพระภูมิอย่างเงี้ยคุณคุณตั้งศาลพระภูมิทําไมอะ่ะตั้งไปเพื่อที่ว่าจะาหวังหลุดพ้นหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้หวังหลุดพ้นนะมีปัญหาในชีวิตใช่ไหมคุณอย่าไปพึ่งเขานะ มีในชีวิตคุณต้องพึ่งพระพุทธปฏิปธรรมประงสงค์นะโอเคไหมอ่าพระปฏิธรมปะสงค์บอกว่าอะไรเอาบอกว่าให้ไปหาสัตรบุรุษคบกับสัตรบุรุษคนที่เคยรู้เรื่องแก้ปัญหนานี้มาก่อนแล้วคุณไปหาสารพระภูมิเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าสารพระภูมิหรือเทวดาตัวเนี้ยคือเอาง่ายๆเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารพระภูมินี้มีเทวดาอยู่จริงหรือเปล่าอืมนะใช่ครับสมมุติมีอยู่จริงสมมติมีอยู่จริงคือไม่มีนี่คือจบเลยนะอ่สมมุติมีอยู่จริงเนี่ย เราก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าหรือเขาจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ไหมยอย่างนี้นะมไม่เหมือนกับสมมุติว่าคุณต้องการรู้เรื่องการซื้อทองอย่างเงี้ยคุณไปถามนักลงทุนทองหรือคนที่เล่นทองสําเร็จมาแล้วใช่ไหมคุณก็จะรู้ว่าอ๋อการซื้อทองต้องซื้อที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนซื้อกี่บาทถึงจะเหมาะสมอย่างนี้นะซึ่งถ้าคุณมีปัญหาตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไงคุณให้ไปปรึกษาหาศาสตร์บุรุษหรือคนที่เคยแก้ปัญหานี้มาแล้วแต่ถ้าไป รรพึ่งสายพระภูมาเอาขอให้ฝันดีนะแล้วก็จะซื้อเท่าไหร่หรืองวดออกนี้ออกอะไรมันคนละเรื่องแหละคุณไม่เชื่อกำลมคุณเชื่ อ, อสิ่งที่คุณบอกไม่ได้ว่าตะโกตูหิรามงคลครับมงคลของสมณพรามณ์อย่างอื่นที่เป็นไปเพื่อไม่ใช่สาร ะ, อ, ะอันนี้ก็จะเป็นผิดคุณก็จะไม่ใช่ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันแต่ถ้าเผว่าเรารเคารพเ้าไหวเ้ า, เาคืออันแรกคุณต้องรู้ก่อนนะว่ามี ถ้าไม่มีคุณก็เหมือนก็ไหว้ต้นไม้ไหวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอต่ถ้าคุณรู้ว่ามีคุณเคารพเขาคุณไหว้เขาพ่ออะไรเพราะว่าความที่เขามีคุณทําอะไรคุณรู้ไหมอย่างคุณไหว้พ่อแม่คุณไหา้อะไรโอ้ท่านเป็นผู้ที่มีอุปการะมากนะครับหรือว่าไหว้หัวหน้าคุณไหว้พ่ออะไรอหัวหน้าเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะเป็นคนจิตใจกว้างขวางมีเมตตาด้วยเราจึงยกมือไหว้เขาครับะแต่ถ้าเราไหว้หัวหน้าเพราะว่าเฮ้ยเราต้องการเลียเพื่อที่เราจะได้ขึ้นสูงหรือก็ไหว้มันไปงนั้นน่ะเพราะมันก็ไม่ได้ดีกว่าเราท่ไ อันนี้คุณก็ทําไม่ถูกเ อ, อคือหมายความว่าเราจะไม่ได้ยกมือไหว้กันด้วยเหตุว่าเขามีศีลจะมาที่ปัญญาเหนือกว่าเราถ้าคุณใช้อาศัยปรารบสิ่งนั้นเป็นเหตุก็จะเป็นการทําที่ถูกต้องครับทีนี้ว่าอย่างไหว้เทวดาอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าคุณธรรมเขามีอะไรอะ่ะอย่างพระอินทร์คุณไหว้พระอินทร์เพราะอะไร เ, เพราะพระอินทร์เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความอดทนแล้วก็มีโศระจะมีควา ม, อ, มอดทนแล้วก็ความสงบสงบเย็นเป็นเยี่ยม นะแล้วก็ยังบูชาพ่อแม่ด้วยนะทำให้ถึงได้มามีความเป็นพระอินทร์เรื่องนั้นนะถ้าคุณค ร, รู้คุณจะทำข้อนี้คุณบูชาเขานะด้วยการที่เอาอะไรไปถาวายเอาอะไรไปให้อย่างเงี้ยก็คือการใช้จ่ายทรัพย์ในการบูชาเทวดาการผลีกรรมให้เทวดาครับทีนี้มันไม่ต่างอะไรกับว่าอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยคือเราเกิดมาในสมัยเนี้หมอราพภงเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์เป็นๆนะอืมครับเอพระพุทธเจ้ามีจริงไหม ก็ดูเราก็ต้องศึกษาคําสอนถูกป่ะครับผู้รู้เจ้าจึงบอกว่าอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งคัดค้านแต่ให้ตรวจสอบกับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมถูกไหมกุศลธรรมอย่างเช่นว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะนะคุณก็ไปตรวจสอบดูนะว่ามันเป็นจริงไหมทำแล้วจิตเราเป็นยังไงก็พึงจะแน่ใจได้ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่จริงแต่ว่านั่นก็แค่เป็นเหมือนกับรอยสีตัวหรือว่ารอยแสกงาหรือว่ารอยเท้าของช้างตัวใหญ่ๆ ถึงรอยแซะงารอยสีข้ามันอยู่สูงอย่างเงี้ยเราอาจจะแน่ใจได้ว่าอันนี้เป็นช้างตัวใหญ่จริงๆแต่ยังไม่แน่ใจเป๊เปเปเะๆหรอกจนกระทั่งคุณไปเห็นตัวมันอืมใช่ครับเหมือนกันอย่างเราจะไปแน่ใจได้ไงว่ามีผู้เจ้าจริงๆเลยเนี่ยจนกระทั่งคุณเป็นพระอาหารหันั่นแหละพอเป็นพระอาหารหันนี่เราจะแน่ใจว่าออกพระรูชามีจริงอันนี้ธรรมมาต้องการจะเปรียบเทียบกับว่าอย่างเทวดาคุณจะรู้ได้ไงว่าเทวดามีจริงคุณไม่รู้หรอกจนกระทั่งคุณมีเครื่องรู้เครื่องเห็นเอง ไอ้ฝันนี่ก็ไม่แน่นะฝันนี่ก็ไม่แน่นะจนะทั้น ค, คุณสามารถนักสมาธิได้แล้วก็มีตาที่จะเห็นสิ่งต่างๆเนะี่ยเป็นทิพะยะจักษุที่ว่าคุณเห็นว่าออไอ้นี่เป็นเทวดาองค์นั้นเป็นรูปนี้อันนี้มันเป็นไปได้แล้วคุณจะบูชาเขาด้วยสิ่งที่เป็นอามิดอย่างเงี้ยอันนี้คือคการใช้จ่ายทรัพย์ในฐานที่สองนะ่ยที่เรียกว่าเออพอจะเป็นไปได้ฐานที่สามอภัยเรียกว่ามันถึงจะถูกต้องทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็ศักแต่ว่าใช้ไปอ่ะ พระเจ้าจึงบอกว่างั้นก็ให้ทําอุทิศสง์สมั้ยสง์จึงเป็นนาบุญอันดีของโลกครับคือคนที่คนเป็นๆที่คนเห็นอย่างเงี้ยนะหรีอยงคุณทําข้าวมาถาดหนึ่งไปถวายหน้าพระพุทธรูปอย่างเงี้ยบอกว่าถวายให้พระพุทธเจ้าได้บุญไหมได้บุญเท่ากับถวายให้พระพุเจ้าจริงๆไหมไม่น่าเท่าครับไม่ได้เลยคือสมมติว่ามันค่าเท่ากับคุณไปวางไว้หน้าต้นไม้นะถวายให้คนที่ตายไปแล้วเท่านั้นเองเปรต มันก็จะไม่เท่ากับถวายให้พระอรหันต์นี่ยคือคนเป็นๆที่จะได้รับประโยชน์จากฐานนั้นนะนะคือมีผู้รับเน่ะเป็นทานที่มีผู้รับอย่างคุณเอาไปตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปเนี่ยไม่มีผู้รับใช่ครับนอกจากว่าคุณจะทำอุทิศเทวดาแต่คุณรู้ไหมล่ะถ้าคุณไม่รู้ไม่เห็นว่าตามมกันมานั่นวัตโกตุหีละมงคลอืมอืมครับแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือว่าคุณรู้เท่าไหร่คุณรู้ไหมแต่คุณตรวจสอบมีการตรวจสอบไหมว่ามีจริงเทวดาเนี่ยประเด็นตรงนี้จึงจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนว่าเออเราจะใช้ใจ่ายท ร, รัพย์ในการบูชาเทวดาหรอแมมเรารู้ไม่แล้วว่ามีเทวดาองค์นั้นองค์นี้อยู่ห<ๆ>รือว่าเขาทำตามตามกันมา <S <S เขาทำตามตามกันมาเธอก็ทําตามกันไปก็ยัง <ừ> มีเครื่องหมายคําถามอยู่ว่าคุณทําเพื่ออะไรก่อนถ้าคุณทาเพื่อที่ไม่หวังหลุดพ้น คุณทําเพื่อบูชาเขาคุณรู้คุณจะทําเขาไหมถ้ารู้คุณบูชาเขาโอเคแต่คุณก็ยังว่ามี question mark อยู่ว่าเราเคยเห็นตัวเขาไหมก่อนโดยซ้านะจนกระทั่งถึงคุณถึงความแน่ใจร้อเซ็น์นะคว่าอ๋อมีจริงๆริอันนั้นจึงเป็นการบูชาที่ถึงเรียกว่าดีจริงๆเช่นเดียวกันอย่างพระสงฆ์คุณรู้ไหมว่ามีพระรชาเราก็ค่อยๆตรวจสอบคําสอนไปจริงๆจนกระทั่งเรารู้ชัดว่าพระรชามีจริงนั่นแหละชื่อว่าว่าคุณเยี่ยมมากละอืมอครับ แต่ถ้าเรายังต้องกราบพระพุทธรูปหรือว่าอะไรต่างๆทั้งที่เราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือกราบไม่ถึงความรู้ของพระพุทธเจ้าก็ก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดีออันนี้พูด<ม>ถึงคนทั่วไปที่ว่าคุณกราบพรากราบพระหรือพระสงฆ์เองที่กราบพระพุทธรูปนะนะแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าดีแล้วนะบางคนกราบพระพุทธรูปยังไม่ได้รลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยซ้าําำบางคนกราบพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธเจ้าโอเคดีแต่ยังปฏิบัติได้ไม่ถึงความเป็นยังไม่เห็นตัวช้างอ่ะ อย่าตัวยังไม่เป็นบาาาระอรหันต์ก็ชื่อว่ายัางยังไม่ได้เรื่องนะครั บ, รบแล้วอย่างนี้การการเคารพด้วยการแผ่เมตตาอย่างเงี้ยการก็คือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการบูชาด้วยเป็นที่นิรามิตการส่งความสุขให้เป็นนิรามิตอันนี้ก็ได้เหมือนกัน ทั้งนั้นก็หลักเดียวกัน<ๆ>เดียวกันว่าคุณรู้ว่ามีมคือรู้ว่ามีหรือไม่มีบางทีันเราอาจจะไม่ต้องตรวจสอบเองก็ได้เราก็ฟังเข้ามาว่าอ๋อพุทธเจ้าบอกว่ามีเอามีโอเคแล้วเราจะรู้จักตัวบุคคลไหมถ้าเราไม่รู้เราก็แผ่โดยรวมอันนี้ทําได้อืมใช่ไหมอันนี้ก็ทําได้แต่เรารไม่รู้ว่าลายบุคคลว่าเทวดาองค์นี้ชื่อ น, นี้อยู่ที่ตรงนี้ทํากรรมมาอย่างนี้จึงได้มาอยู่ที่นี่เขามีอาหารเป็นอะไรก็กินที่ไหนเขาอยู่ยังไงถ้าเราไม่รู้นะ เราก็ทําทําไปแล้วก็ต้องทําให้ส่วนรวมอะ่ะคือส่วนรวมเราไม่รู้เฉพาะเจาะจงนี่ว่าเป็นใครใช่ไหมครับอย่างคุณไม่รู้จักพระสง์รูปใดรูปหนึ่งส่วนรวมอย่างเงี้ยคุณไม่รู้จักพระองค์นี้คุณจะไปถวายท่านโอเคก็ถวายสงครับ <c oughs> ถวายให้แก่คณะสงฆ์ไปเลยลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ตรงเนี้ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องของเทวตาพลีอย่างเงี้ยคือการส่งเคราะห์ทเทวดา ซึ่ง อ, อย่างสมมติว่าญาติเราตายไปแล้วรนะเรารู้ว่าเขาเป็นเทวดาหรือับสังเกตจากอะไรสังเกตจากการกระทำความดีที่เขาทำมาในตลอดชีวิตเขาทำดีนะเขามีกายวิจะใจเป็นบริสุทธิ์สุดท้ายเขาก็าไปอย่างดีเงียบๆไปเราพอจะแน่ใจได้ว่าเขาเนี่ยเป็นเทวดาเพือ่อนถ้าเราจะทำบุญอุทิศญาติของเราที่ตายไปแล้วโดยความเรารู้นะเกิน 50% ว่าเขาเป็นเทวดาแน่อันนี้ก็เป็นเทวตาปลีอเป็นหน้าที่ของบุตรนะที่ว่าะจะทําทักษิณาทานอุทิศมารดาบิดาของเราซึ่งมารดาบิดาของเราถ้าเป็นเทวดาก็ชื่อว่าทรัพย์สินในการอุทิตครั้งนั้นเนี่ยเป็นการทําสงเคราะห์เทวดาอก็ใช่ไหมทีนี้ทําสงเคราะห์เทวดาตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราสมมุติเราทําบุญให้พระนะเอาทำบุญให้เนื้อหาบุญก็แล้วกัน คุณทําบุญให้กับเนื้อนาบุญแล้วบุญที่ได้คุณอุทิศให้เขานะไม่ใช่เอาอาหารให้เขาเข้าใจไหมอ๋อไม่ได้เอาเอาหารให้เท ว, วดา <laughs> ครั บ, รบอ่าแต่คือทําบุญอุทิศให้อย่างนี้นะทําบุญแก่มีคนมีผู้รับนะมีผู้รับที่เป็นเนื้อนาบุญก็จะได้บุญมากแล้วเอาบุญนั้นอุทิศให้เขาอืมอก็ใจกลับขัข้นตาก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับเปตะคือเปตะอ่าปลีนะคือทําสงเคราะรคนที่ตายไปแล้วทําไมพระพุทธเจ้าจึงใช้คํานี้ เพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นนรกกําเนิดดินแ้นเป็นวิสัยอะไรยังไงใช่ไหมอาจจะไปดีอาจจะไปชั่วอาจจะเป็นมนุษย์ด้วยกันมันก็เลยพูดรวมๆว่าเทวตาผลีเขาภายเปตะปีเปตะปลีทำบุญอุทิศคนที่ตายไปแล้วแค่นี้เพราะนั้นเราส่งจิตถึงผู้ตายอ่าก็คือเปตะปีถ้าเราแน่ใจว่าผู้ตายนั้นเป็นเทวดาก็ทรงจิตถึงเทวดาหรือถ้าเรารู้ว่าเทวดาโดยรวมมีอยู่ นะตามพุทธวจนะโอเคเราก็ส่งจิตถึงเทวดาโดยรวมเหล่านั้นก็ชื่อว่าทำบุญอุทิศให้สิ่งเหล่านี้ได้เปี<ล>ก็จะเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ฐานที่เท่านี้นะคืออาตมาจึงมองว่าโอ้อยางคนที่ไปไหว้เจ้าเอยไปสารเจ้าอะไรต่างไหว้เจ้าเนี่ยเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะว่าเขาผิดจริงหรือว่าไม่ถูกต้องตามพุทธวจนะเพราะว่ามีการใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการ สงเคราะห์เทวดาใช่ไหแต่คุณรู้ไหมล่ะ ว, ว่าเขาเป็นเทวดาจริงคุณมีตอนตรวจสอบอย่างไรอะไรยังไงอย่างเงีย้ย น, นะแล้วคุณไปพึ่งเขาเนี่ยพึ่งด้วยอะไร ม, มันก็จะมีเรื่องของวัตโกตุหิระมุงคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรเรื่องของการเชื่อกรรมด้วยซึ่งในกรณีของคุณผู้ศึกษาปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้สนใจสารพระภูิแล้วถูกไม อันนี้เอเมาก็มองว่าก็เป็นสิ่งที่ทำได้หรือคุณจะทามันก็คุณตั้งจิตถูกไหมละ่ะถ้าคุณตั้งจิตเป็นคุณจะทาหรือไม่ทำมันก็ไม่มีปัญหาถ้าคุณตั้งจิตเป็นนะเกิดมามองว่าทำไมบางทีเรายกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเพราะว่าความที่เราเคารพท่านในการที่ท่านมี ค, คุณทำบางอย่างใด อ, อย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะนี้เราเห็นเรารู้ได้เราสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูครับเนาะ แต่ว่าอย่างเรื่องของสา ร, รพัดภูมิอย่างเงี้ยถ้าคุณสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูโอเคคุณจะมีคุณมีได้แต่ถ้าคุณไม่รู้คุณทําตา ม, ตา ม, ต, ามตามเข้ามาคุณไม่ควรมีอืมครับอ่าอย่างนี้นะโอเคครับชัดเจนครับซึ่งรตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะพูดต่อไปในเรื่องของแผนที่ของชีวิตมรดกพงศ์ที่ว่าซั บ, ซ, บ, ซ, บซับทั้งหมดที่เราใช้จ่ายเนี่ยอันแรกเนี่ยคือเราเลี้ยงบุคคลในที่ทั้งห้าใช่ไหม สบายใจละอันที่สองเรามาใช้ในการป้องกันใช้จ่ายซับป้องกันป้องกันป้องกันภัยเวรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์ที่เรามีอยู่ครับแล้วก็อันที่สามมาใช้จ่ายในการสงเคราะห์สงเคราะห์เทวดาะญาติเทวดาอะไรองต่างๆพวกนี้อครับจะค่ะครับใช่แล้วก็อันที่4ก็ในการทําบุญบุทิศทําบุญแก่บุคคลที่เพียเผากิเลสอยู่ สี่อย่างนี้ก็จะเปรียบเทียบกับการที่ใช้งานแล้วก็จะมีการป้องกันได้ที่เราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีนี้อย่างเรื่องของการลงทุนนะคือคนที่เป็นคนโสดหรือคนที่เป็นคนคู่ก็ตามจะโสดด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยการเป็นคารวาสเนี่ยมันต้องมีเงินมากระทงมีเงินในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะแต่คุณต้องใช้ใจ่ายทรัพย์ในหน้าที่เหล่านี้ คือไม่ใช่ว่าเหลือเก็บเยอะแยะไปหมดนะหรือว่าไม่เหลือเก็บเลยแล้วหน้าที่ก็ไม่ครบไม่ได้คือคุณหน้าที่ครบคือมันต้องมีการ flow เข้า flow ออกเข้าใจ ไ, ไ, ไหมน้อยก็ตามมากก็ตามแต่หน้าที่นี้ต้องครบอ่าแล้วเนี้ยโอ้โเป็นคนที่ดีมากๆหละ่ะครับอ่าจะเหมือนกับสาวโบกกรณีที่เราพูดถึงะจะเหมือนกั บ, บ, บอ่พาพญาเขาเรียกว่าอะไรรังพึ่งพญาพึ่งนางพญาพึ่งแล้วก็นางพญาปลวกรังปลวกจอมปลวกอย่างนี้นะพลปลวก ทีนี้ว่าในเรื่องราวเหล่านี้บางทีมันต้องมีการลงทุนใช่กา ร, รลงทุนเนี่ยจะจัดไปอยู่ในการที่เราใช้จ่ายรับในฐานที่หนึ่งกับฐานที่สองฐ า, านที่สองนี่คือการป้องกันใช่ไหมบางคนคเนี่ยซื้อทองหรือว่าซื้อของมีค่าอะไรต่างๆเนี่ยให้ภรรยาเก็บ อ, อันนี้ก็จะเป็นฐานที่1คือให้เครื่องประดับกับภรรยาใช่แต่ถ้าเราซื้อมาเพื่อเป็นการลงทุนคุณซื้อที่คุณซื้อของมีค่า เพื่อเก็บไว้หวังจะขายได้ในต่อๆไปอย่างเนี้อันนี้ก็จะเป็นการรักษาทรัพย์นะที่มีอยู่เข้าใจไหมคือเปลี่ยนเงินที่เรามีอย่างนี้สมมติคุณเก็บเงินสดไว้ที่บ้านใช่ไหมเอ้ยฉันเปลี่ยนเป็นที่ดินดีกว่าอย่างน้อยมันยังไม่หายคนคเอาไปไม่ได้อย่างนี้นะก็จะเป็นกรณีรการรักษาทรัพยอ์อันนี้จะเป็นการดนะีแล้วก็ถ้าคุณลงทุนในกลับไปในธุรกิจ ในธุรกิจอย่างเช่นอะไรเช่น เ, เราลงทุนในการซื้อเครื่องมือเครื่องไม้ในการบริโภคเพิ่มขึ้นซื้อเครื่องมือใหม่ขยายตึกใหม่อันนี้ก็จะเป็นการที่ใช้จ่ายในทรัพย์ฐานที่1คือใช้จ่ายในมิตรข้าราา บ, บดีลูกน้องตรงนี้ถูกไหมเลี้ยงดูเขาให้เหมาะสมโดยถูกต้องเข้าใจเนาะแต่ถ้าคุณไป เ, เช่นตั้งศูนย์วิจัยใหม่นะตั้ง R&D ก็จะเป็นการใช้จ่ายในการที่ลูกน้องก็จะไหมในการที่ลูกน้องสร้างลูกน้องใหม่ๆขึ้นมาเนี่ก็จะเป็นฐานที่1ตรงนี้ในที่สร้างงานเพิ่มใช่สร้างงานเพิ่มขยายขึ้นมาก็ตรงนี้เท่านั้นเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่จะทําอย่างนี้ได้ผู้รู้ชาตพูดถึงข้อที่1คือการมีเพื่อนดีการมีเพื่อนดีเนี่ยจะเป็นทางเข้าของเงินได้ทางหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เป็นทางเข้าแห่งโพคาทรัพสีทาง ที่พูทจ้าพูดถึงแหล่งน้ํามีแหล่งน้ําเข้า4ทางเนี่ยนะส ท, ทางนี้เราต้องปิด<อ>คือปิดนี่หมายความว่าเว้นจากนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงนักเรียนการพนันแล้วก็มีเพื่อนดีหลายๆครั้งในการลงทุนของเราเป็นเพราะเพื่อนที่แนะนํามาใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีได้ อ, อันนี้ก็เป็นการลงทุนนะเพราะฉะนั้นในการลงทุนตรงนี้เนี่ยคือคุณจะต้องดูว่าคุณมีความรู้ในเรื่องนี้ไห ม, มถ้าคุณไม่มีคุณต้องมีคนแนะนํา ซึ่งตรนี้คือเพื่อนดีไงครับจริงครับคุณไม่รู้จักเรื่องที่ทางคุณไม่รู้จักกฎหมายคุณไม่รู้จักการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คุณต้องมีคนคอยแนะนํำจริงครับถึงจะถูกต้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันหวือหวาเปลี่ยนแปลงได้เร็วแล้วก็อันตรายเนี่ยยิ่งต้องมีคนแนะนําอย่างดีออย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ตลาดทุนใช่มันอันตรายมากอครับคุณจะไม่ไปถามว่าซื้อหุ้นตัวไหนดีกับแม่ค้าขายส้มตาำนะ อ๋อเราต้องถามเรื่องนี้กับคนที่เขาเคยเล่นมาก่อนครับครับอืที่ในตอนที่แล้วที่พูดถึงว่าในเรื่องการลงทุนแล้วก็ อ, อ, อยากจะแค่ว่าต้องการยกถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จในกรณีของการลงทุนก็ได้ได้ค้นมาเหมือนกันครับอืมอว่ายังไงเอ่ย <มา S 2> อย่างเช่นอย่างถ้าถ้ากรณีของของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ ผมนึกถึงคือได้ได้ไดศึกษาเรื่องรเรื่องราวของหลักทรัพย์มาพอสมควรเรือ่องชื่อวอร์เรนบัฟเฟตอย่างเงี้ยครับอวอร์เรนบัฟเฟตก็เป็นคนที่มีคุณธรรมทางด้านการการใช้จ่ายเงินดีนะครับใช่ครับก็เขาเป็นคนที่สมถะสมระรู้จักไม่ไ ม, ไม่ไม่ฟุ้งเฟอ้อครับขนาดรวยมากตัวเองรวยแบบชาตินี้ใช้ไม่หมดแต่ว่าก็ยังใช้รถ ธรรมดากินอาหารธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับอืนั่งเครื่องบินก็นั่งชั้นธรรมดาอืมครับอืจากประหยัดครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้ทีนี้ว่าคนอครวัตนะคุณจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตใช่ครับอในเรื่องนี้เนี่ยพริชา พ, พูดถึงอิทธิบาทสี่คือไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นคนโสดหรือว่าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วมีลูกมีอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องมีอิทธิบาทสี่ ไม่งั้นชีวิตมันจะจืดชื่อสังกตายนะคนที่ไม่มีอิทธิบาทสี่เนี่ยนะชีวิตมันจะไร้ความหมายไปไม่ได้ตันอั้นตู้ m i d l ดิลไล i ์คริ i ิเดี๋ยวนี้ Middle Life c r i นี่ยิ่งสั้นเข้าสั้นเข้าบางคนคมาเจอตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบกว่าโอ้ครับ <c oughs> มีเพื่อนอน่ะมาเป็นชาวสิงค โ, โปร์รบ m i d ด i ล Life Crisis ของเขารู้สึกมันหลายครั้งแล้วเกิน ยี่สิบกว่าก็เจอครั้งหนึงสากว่าก็เจอครั้งหนึ่ ง, ง, งมันงงไปหมดเปลี่ยนงานดีไม่เปลี่ยนงานดีฉันจะทําอะไรต่อไปชีวิตฉันสับสนเหลือเกินจะทำนี่ได้ไหมจะทนั้นได้ไหมก็ <c oughs> คุณไม่มีทิศทางสักทางในทางหนึ่ง <c oughs> ถ้าคุณไม่มีทิศทางสักทางใดทางหนึ่งคุณต้องตกอยู่ไปในทิศ ท, ที่คุนอื่นก็ต้องการ <c oughs> ซึ่งอาตมาบอกได้เลยว่าเป็นทิศ ท, ที่คุณไม่ต้องการครัเพราะคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตอันนี้มันจะสับไปสับสนกับเรื่องที่ว่างั้นงฉันจะต้องไปหวังสิ่งที่เป็นอนาคตหรออันนี้เราจึงงต้้อมมาาาาทํควเขใจกันไง อย่างพระพุทธเจ้าเองนะหมอมรัตพงศ์มาเป็นพระอรหันต์ัสมมาสัมพุทธได้เนี่ยก็พระเจริญอิทธิบาทสีพระอรหันต์เช่นโมคลันสารีราาบุตรอ克拉สาวก80รูปหรือพระอรหันตุกทุกรูปแม้ในปัจจุบันนี้ก็ตามก็มาเป็นอริยาสาวกนะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยก็พระเจริญอิทธิบาทสีแล้วเพราะฉนั้นเราจึงต้องเจริญอิทิบาทสีในรูปแบบที่พระอริยเจ้ า, าทํากันไม่งั้นชีวิตเราจะเซ็งกับตาย ไม่งั้นชีวิตเราจะไม่มีอะไรทําไม่งั้นชีวิตเราก็จะจืดชืดไม่มีรสชาติแล้วคุณบอกคุณไปหารสชาติไหนในผับในบาร์เที่ยวกลางคืนในคลับอันนั้นเป็นรสชาติที่กินแล้วเป็นพิษ ค, คุณจะตายไวด้วยซ้ําเพราะงั้นคุณคต้องมาหารสชาติของชีวิตอย่างที่เป็นอิทธิบาทสี่ที น, นี้ต้องระวังให้ดีอ่าระวังให้ดีว่าความคนอยู่เป็นโสดก็ตามคนมีเป้าหมายในชีวิตก็ตามเนี่ยอคนที่เป็นคู่ก็ตามเนี่ยคุณตั้งอิทธิบาทสี่ไว้จะเป็นคนละเรื่องนะ ใช่ไหมอยังคน ค, คู่เนี่ยบางทีคุณต้องตั้งอิทธิบาทสีไว้ในเรื่องการเลี้ยงลูกว่าเป็นยังไงยัง ไ, ไงนะคน<ช>คู่เนี่ยคุณต้องตั้งอิทธิบาทสีในเรื่องของความที่ชีวิตชั้นต้องซีคิวรี่มากหน่อยนะต้องเก็บนั้นมากหน่อยใช้จ่ายในอนาะคตต้องคิดเอาไว้เรื่องเจ็บป่วยเรื่องอะไรต่างๆคนที่โสดอาจจะมีอิทธิบาทสีไว้ในคนละเรื่องอย่างเช่นว่าเรื่องการลงทุนเรื่องการที่มันมีอะไรหวือหวาเสี่ยงหน่อยหรือว่าทําอะไรได้มากกว่ามีอิสระมากกว่าหน่อยอย่างนี้นะ เพรา ะ, ะนั้นคุณต้องตัดสินใจเอาว่าคุณจะตั้งอิทธิบาศไว้ในเรื่องอะไรเนะเพื่อให้ชีวิตมันมีความหมายไม่ให้ชีวิตเนี่ยมันมันจะชืดนะเราก็พระเจ้าเคยพูดไปชัดเจนว่าอย่างพระองค์เองเนี่ยพระองค์ เ, คเไม่ได้ตั้งอิทธิบาศไว้แค่สามเดือนสุดท้ายก็เอวังละอ ค, คือเรื่องนี้รพระเจ้าได้ใบ้ไว้กับพระนนุลใช่ไหมว่าถ้าจะริ่อิทธิบาศสต่อไปเนี่ยชีวิตจะได้อยู่ถึงได้หนึ่งกับหนึ่งกับนะบหนึ่กับในที่นี้เนี่ยก็คือช่วงอายุ ช่วงชีวิตของคนคหนึ่งอนะซึ่งช่วงชีวิตตรงนี้มันไม่เท่ากันนะออย่างหนึ่งกับของหมอทัตพงศ์กับหนึ่งกับของอาตมาอาจจะไม่เท่ากันอืเข้าใจไหมหนึ่งกับของผู้ชผยากับหนึ่งกับของสาวคนอื่นๆอาจจะไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันน่ะตัวมางนี้กินข้าวงนี้คุณอยู่ในภูมิภาคนี้คุณสีผิวนี้คุณทําอย่างนี้มาคุณอะไรมันจะไม่เท่ากันใช่แต่ถ้มีโรคติดตัวมามาแต่กระเจิดเพราะฉะนั้นอีกอีกหนึ่งของแต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่ถ้าคุณเจร ซึ่งในกรณีของพ<อ>ระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ใบให้พระอนลทราบว่าหนึ่งกับใช่ไหมแต่สแสดงว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เจริญอิทธิบาท<อ>หรือว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้แต่อาจจะไม่ได้เจริญอิทธิบาทในช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายหรืออาทิตย์สุดท้ายหรือทาให้ปรรัจจุบันนี้านไปอันนี้ก็ไม่ได้ระบุเอาไว้<อ>แต่ที่แน่ๆถ้าคุณไม่เจริญอิทธิบาทคุณอยู่ได้ไม่ถึงกลับ คุณอยู่ได้ไหมถึงช่วงชีวิตของคุณที่คุณจะอยู่ครับอันนี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะมีคุณค่านะคุณต้องมีอิทธิบาทสี่คุณต้องมีเงินเงินนี้ไม่ใช่จมีมากๆนะคุณต้องมีเงินใช้ใจ่ายใน4สถานเหล่านี้คุณต้องหาเงินได้มาตาม4ี่วิธีตามที่เราพูดไปเมื่อกล่าวที่แล้วแนะหมุนอย่างนี้ใช้ใจ่ายอย่างนี้แม่ยอดเยี่ยมจูนิ้วให้เอาไปอีกนิ้วหนึ่งถ้าคุณมีอิทธิบาทสี่สองนิ้วนะครับ โอ้โหโปงสองนิวยกให้เลยอิทธิบาทสีในที่นี้หมายถึงอะไรต้องมี3องค์ประกอบนะที่ได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมอันนี้ต้องขอบคุณคุณวิวัฒน์ที่ส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นมาด้วยในเรื่องของอิทธิบาท4คือการเจริญอิทธิบาทสนะี่พระพุทธเจ้าพูดถึงอิทธิอิทธิบาทนะปฏิปทาที่ทําให้ถึงอิทธิบาทนะแล้วก็เหตุที่ทําให้เกิดถึงอิทธิบาทอิทธิเนี่ยก็คืออภิญญา6 ภิญญาหกใช่อภิญญาหกคืออิทธิส่วนคําว่าอิทธิบาทเนี่ยคือบาตฐานหรือว่าวิธีการใดที่ทําใหไ้ได้มาซึ่งอิทธิ อ, นะอันนี้เรียกอิทธิบาตรแล้วก็อิทธิบาตรภาวนาคืออะไรแล้วก็ปฏิปทานที่ทําให้ถึงอิทธิบาตรภาวนาคืออะไรอันนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงคาว่าภาวนาคือการพัฒนานะการพัฒนาอย่างไรที่จะทําให้วิธีนั้นเกิดขึ้นได้ อันนี้พระพุทธาพูดถึงชันทะวิริยะจิตตาวิมังสาแต่ไม่ใช่พูดถึงแค่นี้นะครับหมายความว่ามีชันทะอันประกอบด้วยสมาธิอาศัยทําเครื่องปรุงแต่งมีวิริยะอันประกอบด้วยสมาธิอาศัยทําเครื่องปรุงแต่งมีจิตตามีสมาธิแล้วอาศัยทําเครื่องปรุงแต่งมีวิมังสาที่ทํามีสมาธิแล้วก็เอาไปประกอบกับทําเครื่องปรุงแต่งอันนี้จะเป็นการเจริญอิทธิบาทภาวนาอ่า หมายถึงว่าเป็นการพัฒนาที่ทำให้มีการไปได้ซึ่งอิทธิซึ่งอันนี้พระเจ้าก็คือบอกถึงอริยมรรคมีองค์8ทีนี้ก็ไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมแล้วไอที่บอกว่าฉันทสมาธิฉันทสมาธิเนี่ยคืออะไรคือค อ, อะไ ร, รสมาธิอาศัยฉันทะใช่ไหมเป็นประธานกิจหมายความว่าไงมิริยะอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจ จิตตาอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจวิมังษาอาศัยสมาธิเป็นประธานกิจคืออะไรคือคุณอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิได้เอกคัตาจิตอันนี้แหละเรียกว่าฉันทะที่อาศัยสมาธิเป็นประธานกิจทอไมคุณมีวิริยะ ม, มีความเพียรใช่ไหมแล้วทําให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิแล้วทําให้จิตเป็นเอกคตาอันนี้แหละคือวิริยะสมาธิโอคุณมีวิมังษาใช่ไหม แล้ว ค, คุณทำให้มีจิตเป็นสมาธิทำให้เป็นเอกคตตาจิตนี่แหละคือวิมังสาสมาธิคุณมีจิตตะใช่ไหมคือการเอาใจใส่การงานมีแล้วทำให้มีสมาธิทำให้จิตเป็นเอกคตานี่แหละคือจิตตะสมาธินี่คือองค์ประกอบสององค์ประกอบแรกนะครับและททำเครื่องเครื่องปรุงแต่งนี่ <ละ S 2> คืออะไรครับทำเครื่องปรุงแต่งนันคือการที่เราสมมาวายามะนั่นเอง ผู้รู้จักพูดไว้ยก็คือทําเครื่องป ร, รุงแต่งคืออะไรเอไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นและอกุศลที่เกิดแล้วให้ละไปนกะุศลธร ร, รทมที่ยังไม่มีเอามาใสา่กุศลธรรทมที่มีอยู่แล้วทําให้เจริญอันเนี้ยคือทําเครื่องปรุงแต่งครับเข้าใจไหมหมวรัชพงศ์บมันคือการตั้งเป้าในชีวิตเท่านั้นเองอืมันคือการตั้งเป้าในชีวิตนั่นเองครับคุณจะต้องมีอืม Okay, อันนี้ ค, คือเรียกว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตแต่เป็นเป้าหมายที่ทําให้จิตเราเป็นสมาธิก็ใช่ไหมสมมุติว่าอาตมาตั้งเป้าไว้ต้องการเงินสักพันล้านคุณได้เงินพันล้านนะคุณอาศัยชันทะมองเงินพันล้านจิตคุณเป็นสมาธิไหมจิตคุณเป็นเอกคตตาไหมต้องเป็นนะไม่งั้นอิทธิบาทสีจะมีไม่ได้เ ค, คุณมีวิริยะจิตตวิมังสานะมองเงินพันล้านนะจิตคุณต้องเป็นสมาธินะ อยาให้มีความโลภอย่าให้มีความโกรธอย่าให้มีความโกรธอยาให้มีควา ม, ลา ห, วามหลงนะอย่าให้นิวรันเกิดขึ้นนะครับเวลามีอะไรมากระทบมีใครมาดา่ามีใครมาว่าคุณจ่อให้ดีนะอย่าให้จิตคุณกระเถือนนะอืมเข้าใจไหมเราจะเหมือนกับเลเซอร์โฟกัสซูมไปเลยเวลาที่เขาจะยิงหัวรบนิวเคลียร์มาร์ตองก็ต้องมีหน่วยสอดแนมเข้าไปเอาเลเซอร์โฟกัสไปก่อนจ่อไว้เลยมา ร, ร์ตอปงด้วยอิทธิบาทสีคุณต้องตั้งเป้าเล็กใหญ่ไม่ว่าอะไร เล็กใหญ่ไม่ว่าอะไรอาจจะแค่เลี้ยงลูกเอามาให้ดีต้องจ่อไว้เลยนะเวลาลูกร้องไห้ขี้แตกขึ้นมาตอนกลางคืนตีสองตีสามคุณอย่าจีทลูกนะเข้าใจไหมครับคุณต้องมีฉันทะสมาธิคือมีความพอใจแล้วทำให้จิตเป็นสมาธิมีความพอใจแล้วทำให้จิตเป็นเอกคตาเอ่มีวิริยะที่ทาให้จิตเป็นเอก ก, ะกะตามีวิริยะที่ทำให้จิเเกะกะตจเป็นสมาธิ มีจิตตะที่ทำให้จิตเป็นสมาธิมีจิตตะที่ทมให้จิเป็นเอกคาตะอย่าให้มีความโลภนะความโลภนี่ไม่ใช่สมาธินะครับอมีสมาธิมีวิบงังษาพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีสมาธิให้มีเอกคตานะให้จิตเป็นเอกคาตานี่แหละคือองค์ประกอบจุดนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะมีแต่ความที่จิตเป็นสมาธิอืจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะเห็นได้ตามที่เป็นจริง มันจะสามารถเห็นแก้ไขพลิกแพลงสิ่งที่เป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ออือครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายก็<ม>ต้องชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ถูก ด, ด้วยใช่ไหมครับเออชัดเจนในที่นี้คืออะไรออืชัดเจนในที่นี้คือจิตเป็นสมาธิคุณจะเห็นอย่างชัดเจนออืก็ใช่ไหมบางคนเนี่ยเขียนเป้าหมายในชีวิตฉันลงไปในกระดาษเลยเขียนลงไปในกระดาษก็ดีอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือจะเขียนไม่เขียนก็ได้แต่ถ้า ค, คุณเขียนแล้วเนี่ยคุณโลบ ฉันอยากได้มาฉันอยากได้มากอันนี้ก oh. ูไม่ใช่แล้วนี่คือกั บ, บตกของความอยากไง mm hmm. กับตกของความอยากถ้าคุณตั้งไปนในชีวิตแล้วแล้วมีความอยากมากอยากได้จนมือสัน่นเนี่ยมันจะไม่ได้อื mm hmm. หรือว่ามีความกลัวฉันจะได้ไหมนะจะทําได้ไหมนะเงินพันล้านเนี่ยโอ้ยคงไม่ได้หรอกชาตินี้อะไรคุณไม่ได้แน่ mm hmm. เพราะว่าจ mm ิต hmm. คุณไม่เป็นสมาธิครับอ่าจิตคุณไม่เป็นเอกขตาไม่เป็นหนึ่งเดียวใช่แล้วคุณก็ยังมีอกุศล ในจิตคือความสำคัญตนว่าเลวว่าฉันทำไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าเรามั่นใจเกินไปอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับที่พรชเจ้าบอกว่าบีบรูไกแรงเกินไปอ๋อครับมันก็จะเป็นความเพียรที่ฟุ้งซ่านครับมาแล้วมเข้าใจไหมว่าถ้าเรามีอิธิบาตเนี่ยนะเราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือตั้งเป้าใดๆในชีวิตเราได้ตั้งนั้นเลยได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ขณะพระรูปธรมมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่าการ apply อิทธิบาทสี่เจริญอิทธิบาทสี่แล้วเราเร า, เราจะมามีเงินสักหน่อยอย่างที่เราควรจะมีไม่ได้เหรอมันได้อย่างบางคนเล่นหุ้นนะหมวดนัทพงศ์แม่ก็บอกหนะ่อยว่าเรามีประสบการณ์ตรงว่าพอหุ้นขึ้นเนี่ยหืมจิตใจมันพองโตฟูขึ้นมาเลยเอ๊ฉันกําไรแล้วอันนี้ ค, คุณออฟล่ะคุณไม่ได้เจริญอิทธิบาทสี่ละ Mm hmm. จิตคุณนี่คือยินดีพอใจอย่างไปกำหนดยินดีตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปพอหุ้นตกโอ oh. าหน่เหี่ยวเล้วนั้นคิดอะไร <Force. S 2> ไม่ออกทำอะไรไม่ได้เงินฉันหายไปแล้วเออทำไมเป็นอย่างนี้ใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหู mm hmm. น, านั่นไปละ ครับคุณไม่มีกมที่ว่าสไีไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิแล้วคือคุณมีความเพียรใช่แตไไ่ไม่ได้ทําให้จิตเป็นสมาธิไม่ได้ทําให้จิตเป็นเอกคตาเพราะฉะนั้นคุณคไม่มีส่วนที่เป็นวิริยะสมาธิอเอาไปใส่ในอะไ ร, รมันก็พังครับออย่างนี้สมมุติคนที่เล่นหุ้นเนี่ยก็ต้องยังไงครับท่านวางอุเบกขาเลยครับขึ้นก็ไม่ใช่จิตต้องเป็นสมาธิจิตต้องเป็นเอกคตตาแล้วคุณมีความพอใจคุณมีความเพียร นะคุณมีจิตตาเฝ้าดูมันเรื่อยๆแต่เฝ้าดูมันเนี่ยต้องจิตคุณต้องเป็นสมาธิหมายความว่าดูแล้วทําให้จิตเป็นเอกขตานะอะดูแล้วทําให้จิตเป็นสมาธินะออไม่ใช่ว่าไม่ดูเลยนะครับเราก็มีวิมังสาคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการของเราใช่ไหมเราจะเร่นวุ้นเนี่ยคุณใช้เทคนิคอะไรนะดูกราฟยังไงดูแท่งยังไงนะมีมดูฟอรลุ่มยังไง<ม>ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป เราก็ไม่ใช่ดีใจโอ้ฉันค้นพบเทคนิคที่ฉันได้เงินแน่นอนรีบเอามาใช้เลยโดยที่ไม่ตรวจดูให้เรียบร้อยอันนี้ก็ไม่มีสมาธินะจิตไม่เป็นเอกอากาตานะเพราะฉะนองค์ประกอบตรงนี้ต้องสําคัญมากแล้วเราก็ไปพุ่งเป้าไปที่ใดที่หนึ่งครับนะอันนี้ก็จะเรียกว่าประกอบด้วย อ, อิทธิบาทภาวนาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงการเจริญซึ่งบาดฐานแห่งการได้มาซึ่งอิทธิ จะจะแปลกลับไปกระบวนการก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของความที่แผนที่ของชีวิตของเรานั้นจะต้องมอีอีกประการหนึ่งเรื่องอิทธิบาย4ี่นี่เราผ่านไปได้ยังหมอฤพมีได้ได้แลครับคำถามอะไรต่างๆไหมผ่านไปได้เนาะอีกประการหนึ่งคือเรื่องของวงกลมที่อรมาได้พูดถึงวงกลมสามวงว่าโลกเนี่ยมันจะหมุนไปได้เนี่ย ก็ด้วยการที่เรามีการอุปการะกันบุปการีะนะแล้ว ก, ก็การที่ตอบแทนคือกตัญญูกตเวทิตาเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรมาเนี่ยเราไม่ต้องสนใจใดใดทั้งสิ้นเลยแค่เรารักษาทิศของเราเนะขาชวนไปม็อบคือถ้าจะพูดถึงชีวิตของคารวาสแผนที่ชีวิตเนี่ยเราจะต้องพูดถึงเวลาที่มีคนชั่วๆมาชวนไปทําอะไร เวลาที่มีปัญหาเศรษฐกิจเวลาที่มีปัญหาสึนามิเวลาเงินหายเวลาเพื่อนตายเวลามีคนมาเรี่ยรารเวลาคนที่เรารักเสียชีวิตเวลาที่มีคนมาชวนไปทำาอ้ น, นั้นอันนี้ลงทุนแหงต่างเราต้องพูดเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่า mm, ตรงนี้เป็นช่องทางที่จะทำให้ทุลรีเข้าตาเราได้อ oh. ถ้าคุณไม่ตัดสินใจให้ดีไม่รักษาที่ของเราไม่มีอธิบดนะีไม่รักษาวงกลมที่เราจะต้องมีเนี่ย ทุลีก็เข้าตาเพราะทุลีเข้าตามันก็แสบเป็นทางมามห่ทุลีไงครับใช่คลาวาดเป็นทางมาแห่งทุลีใช่เพราะนั้นเราจึงต้องคอยระวังพวกนี้ซึ่ง<ม>ในกลยุทธ์พวกนี้เราก็แค่รักษาทิศของเราให้ดีเท่านั้นเองตามหลักของทิศถกที่ <st it> พูดมาเ ร, เรื่องอื่นเราไม่ต้องสนเลยเราไม่ต้องสนเลยครับถ้าเรารักษาทิศของเราดี เขาจะเลือกตั้งกันเราก็ไปใช้สิทธิธรรมดาแล้วเราใช้เลยยังไงเราก็ดูคนที่มีสีสมาที่ปัญญาเขาเห็นเราก็เลือกเบอร์นี้นะฉันจะทําไงก็ไม่เป็นไรเราก็สารักษาที่ของเราอืมครับอเราจะหลีกเลี่ยงทุรีพวกนี้ได้ทั้งหมดครับวุ้ยแต่ข่าวเขาลงว่าอย่างนี้นะดูสิคนนี้ก็ร้อหลอคนนี้ก็มีนโยบายดีๆเราจะทํำยังไงเออเราก็ดูตามหลักการพระเจ้าให้มันก็จะสบายใจเราครับอันนี้ขอแทรกนิดนึงคือตอนนี้เรื่องของอมี ข่าวเรื่องของ เ, ออเด็กชายประบูนะครับท่านอพอดี<ห>มาตรงตรงตรงกับกรณีที่ท่านพูดพอดีเลยเรื่องว่าที่มีการทำนายอนาคตในปีหน้าปีหน้าปีสองห้าหหว่าจะเกิดภัยพิบัติใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตตอนนี้ทีวีเรโอ้คนในประเทศไทยตอนนี้ก็ตื่นตรหนกอีกรอบแล้วครับด้วยอันนี้ดีมากเลยคือพยากรณ์ตรงกับพระเจ้าพระเจ้ า, บ, าบอกว่า การที่เธอหวังว่าสังขารที่มีแล้วเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะไม่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เธอ <teu S 2> จะต้องพบกับสิ่งเธอจะต้องพบกับความเธอจะต้องพัดพลาดกับความรักความชอบใจทั้งสิ้นการ <Qatar S 2> ที่สัตว์จะได้มาซึ่งสังขารที่เปลี่ยนไปแล้วเป็นอย่างอืงอ่นไปแล้วเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนไปไม่ให้เป็นปอย่างอื่นไปเนี่ยนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้าพยากรณ์ตรงกับผู้ชากเราก็แฮปปี้แล้วเราไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลย แเรารทำยังไงเราก็รักษาที่ของเราไปรักษาที่หกของเราเออเรารมีแล้วเราก็จะอธิบาตสี่ไปใครมีอุปการะเราก็กระตันอยู่ตอบเราก็เป็นคนมีอุปการะกับผู้อื่นก่อนเราไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยหมอรลกผครับครับเราจะบสบายบใจมากเลยอืแต่ถ้าเขาพยากรณ์ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจะดีขึ้น เฮ้อันนี้มันทรัพยากรไม่ค่อยดีไม่ค่อยตรงกับบริษะเอิมก็าจจะไม่เที่ยงก็ได้แล้วเราท<ะ>ําไงเราก็แฮปปี้อยู่เพราะว่าเราก็รักษาทิศของเรารักษาทิศถกเป็นให้เป็นปกติใช่ใครอุปการเราเราก็กตันยูกาตะเวทีต่อใครเราก็อุปการะผู้อื่นก่อนใช่ไหมเราใช้จ่ายทรัพย์อย่างนี้ป้องกันทรัพย์ของเราอย่างนี้เราสบายใจแฮปปี้เจรในอิทธิบาทสีด้วยชีวิตไม่จืดจืดอืมครับอก็จะเป็นคนที่ยิ้มได้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ่าวัวดาทายังไงเราก็รักษาทิศของป๋า ใช่ไหมเอาเมียตีไพ่เมียไม่รู้จักหน้าที่การงานทําไงเราก็รักษาหน้าทิตของสามีใช่ไหมลูกบอกยกทําไงเรารักษาทิตของลูกหมายเราใช้ใจ่ทรัพย์ให้ถูกต้องเราด้วยกา บ, บอกสอนเขาอุปการะเขาเนี่ยมันก็ตามตามหน้าที่นี้เท่านั้นเองอืมปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะคือคุณไม่ทําตามเหตุเหล่านี้ซึ่งรายละเลอียดมันเยอะมากนะหมอรัตพงศ์รเราใช้ตั้งสามสี่ตอนนี่ยังไม่จบออืืมครับ พูดถึง เ, เรื่องวงกลมนี้อีกนิดหนึ่งว่าวงกลมแรกเนี่ยก็คือเรื่องของชาติชาติคือกลุ่มคนที่เราสมัครสมานสามัคมคกีกันใช่หอย่างคนกลุ่มนี้เขารักษาทิศของเ้าได้เขาจึง ร, รวมกันเป็นกลุ่มนี้ได้เขาก็เป็นคนที่แฮปปี้แฮปปี้เดียวกันใช่หมมีความเห็นเดียวกันทีนี้พอเริ่มมีคนที่ไม่สามารถรักษาทิศของตัวเองได้เนี่ยมันจะเริ่มปูด จะเริ่มกระฟัดกระฟียกกระด้างกระเดือนแสดงความกดความขัดเคืองความไม่พอใจไม่ให้ปรากฏเขาก็จะเริ่มจะต้องแยกเป็นหมู่เป็นพวกเข้าไปครใช่ไหมอย่างเหตุการณ์บ้านเมืองที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าคนนั้นเขารักษาที่ของเขาไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งมันก็รักษาที่ของมันไม่ได้เหมือนกันอ่ามันก็เลยมีความแบบไม่พอใจกันทั้งคู่วุ่นวายอ๋อวุ่นวายทิ่มแทงกันเพราะฉะนั้นเราจะออกจากแอเรียโซนนั้นได้ที่ทิ่มแทงกันเนี่ยคือเราก็รักษาที่ของเราให้ดี โนะอกาะผู้อื่นก่อนอแล้วก็กตันยุกะตะเวทีตอบใช่ไหมแล้ว เ, เราก็รักษาที่กเรามีอิธิบาท4ในเรื่องที่เป็นกุศลถ้าเราจะไปกับม็อบนะม็อบเนี่ยคุณจะไปประท้วงได้เนี่ยบางทีเราก็ต้องพูดถึงให้เห็นข้อเสียบ้างอย่างอันนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงพี่เลี้ยงเด็กนะเขาเอาเด็กม า, าคือเด็กคว้าชิ้กระเบื้องเข้าไปในปากอันนี้ได้เคยพูดไปหร ย, ยัง S <S <S เคยเลยลครับต้องเอาดึงออกมาบ้างนะเพราะฉะนั<ต>้นบางบทีเราไปเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ถูกนะถูกเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันเริ่มเปลี่ยนแปลง ไ, ไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอกุณศรถเราต้องรีบเห็นอืมใช่ครับอันนี้ก็ไม่ได้หมายว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับการบรรทุนทางการเมืองไม่ได้ไม่ใช่นะการมาออกแสดงความเห็นบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันเริ่มดีเจเนเรตเริ่มผัดพวยไปในสิ่งที่เป็นสิ่งที่แย่แล้วเนี่ย เราต้องรีเห็นใช่เช่นเริ่มรุนแรงขึ้นมีแนวโน้มของความรุนแรงหรือว่าเริ่มเป็นสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจาละมิจฉาวาจากับการด่าใช่ไหมด่าแหลกหรือการชี้ให้เห็นการขนาบอย่างเงี้ยให้ห้ามเขาเสียจากบาบนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะที่เราได้เคยคุยไปแล้วอ่าใช่ครับพมันจะมีรายละเอียดพวกนี้เยอะมากซึ่งอาตมาคิดว่าจะมารวบรวมกันเป็นตอนพิเศษซึ่งต้องใช้เวลาทํานิดนึงครับ นะที่ว่าจะทําให้โดเฉพาะเรื่องพวกนี้ไม่มีเรื่องอื่นมาปนเลยนะถึงจะถึงจะดี อ, อันนี้กลับมาเรื่องของวงกลมวงกลมที่2นั่นคือเรื่องของทิศ ท, ทั้ง6คือคนหลายๆคนเนี่ยเขารักษาทิศ ท, ทั้ง6ของเขาได้เนี่ยเขาจะรวมกันเป็นชาติไดค้คือรวมกันเป็นกลุ่มคนได้พูดใหม่ดีกว่าพอรวมกันเป็นกลุ่มคนได้มีเพื่อนเป็นกัลยาณามิตรกัลยาณามิตรกัลยาณามิตรกันปุ๊บคุณก็รวมกันเป็นชาติได้ ใช่ไหมและขอบเขตคุณไปสุดที่ไหนตัวนั้นก็เป็นกลุ่มของคุณใช่ไหมกลุ่มของคุณแล้วมันไปสุดที่ไหนนั้นก็เป็นชาติใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันแค่2วงตรงนี้เรามองแค่2วงคือวงของเรากับวงของเพื่อนเราถ้าวงของเรามีเรารักษาที่ถกของเราได้โอเคคุณดีมากเพื่อนคุณคุณก็ทําได้ด้วยเฮ้นี่เราเป็นกลุ่มขึ้นมาละกลุ่มนี้ใหญ่เท่าไหร่ก็คือใหญ่เท่านั้นครับอันนี้คือกลุ่มของคุณแค่นี้ เราชักชวนให้เพื่อนของเราทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีก็แค่นั้นเองแล้วถ้ามันจะเป็นชาติคืออย่างชาติที่เราชาติประเทศไทยที่มันเป็นประเทศไทยมาตอนนี้ได้นะเพราะว่าเรามีบ ร, บรรพบุรุษใช่ไหมพระมหากษัตริยที่รวบรวมชาติขึ้นมาคอยให้อาหารน้ําสงเคราะห์ให้แต่ละคนเนี่ยรักษาทิศของแต่ละคนให้ได้ใช่ไหมให้ประชาชนเนี่ยสามารถรักษาสิ่งของตัวเองได้ให้ประชาชนสามารถเลี้ยงดูปูปูเสือ ให้ปาปิ้งอะไรต่างๆกับครอบครัวของเราได้ครับ น, น, นั่นก็คือว่าเป็นลักษณะว่าให้ประชากรของท่านท่านーーเหล่านั้นเนี่ยรักษาทิศของเขาเองได้ก็จักรมุน <c ười> จึงเป็นชาติออกมาได้ครับอย่างสมมุติว่าในสมมติรัช ก, การที่หนึ่งตั้งประเทศขึ้นมาอย่างเงี้ยจะไปบอกคนคนจีนบอกว่า ม, มาฉันจะช่วยรักษาทิศของเธอให้คนฝั่งนู้นเขาไม่ยอมฟังเราใช่ไหมเขาไม่ฟังเราเขาก็ไม่สนใจเขาเขาไม่เป็นชาติเดียวกับเรา นะก็เอาคนที่พอจะฟังท่านซึ่งในกรณีนี้ก็เลยกลายเป็นมาเป็นประเทศไทยเป็นสยามเพราะฉะนั้นแต่มาจึงมองว่ามีแค่2องวงนะคือวงของเราแล้วก็วงของส่วนรวมอื่นๆในป ร, ระฉะนั้นถ้าเราให้ส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยรักษาทิศของเขาได้อันนี้ก็จะรวมเป็นชาติขึ้นมาเพราะนั้นวงแรกคือตัวเราวงที่2คือชาติเข้าใจไหมชาติในที่นี้ก็คือว่าเราต้องช่วยเพื่อนเราให้รู้จักการรักษาทิศของเขาทําอย่างที่เราทํานี้แหละ เราจะรวมเป็นชาติได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นชาติในที่นี้ก็จะรวมพระมหากริยัไปแล้วด้วยคือผู้ที่ช่วยเหลือให้มีการทำตรงนี้เกิดขึ้นเป็นผู้นำใช่นี่เวลาพอมันแยกชาติกับพระมหากระสับออกไปนก็จึงมีปัญหาถ้าเรารวมกันนี่ก็จบล ะ, บะก็แล้วแต่ว่าอะไรจะเป็นยังไงเนา ะ, ะทีนี้ประการที่สามวงกลมที่สามเนี่ยคือวงกลมเรื่องของจิตของเรา จิตในจิตของเราซึ่งเรื่องนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของจิตที่ว่าพูดถึงอันที่3เนี่ยพราะว่าเป็นวงกลมที่ครอบคลุมหมดแต่ว่ามันมาจากจิตของเราเองนะมันจะขยายใหญ่ไปทั้งหมดเลยแต่มาจากจิ ต, จตข้างในจิตเป็นนายลึ ก, กลายเป็นบารอย่างนี้ึกเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราดูระดับของความอุปการะเนี่ยระดับแรกเนี่ยคือเราอุปการะกาตันยูกตะเวทีในทิศ ท, ทั้ง6ก่อน ตรงนี้ชื่อว่าเราจะอุปการะคนใกล้ตัวเราละอันที่2ในเรื่องของชาติคือเราอุปการะลิงดูในระดับที่กว้างออกไปไอ้างขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นระดับสองชาตินะแล้วในระดับที่3เราพูดถึงพระพุทธเจ้านะคือพระพุทธเจ้าที่ทรงอุปการ ะ, ะสัตว์อื่นก่อนกรุณาเอนดูเ ก, ก, กื้อกูลจึงบอกคําสอนไว้นี่คือระดับของรวมทั้งหมดคือจิตของเรานะคือจะเป็นวงกลมที่3าม อันนี้ก็จะพาทำให้เราไปสู่ความสุขในสัมปรตยภพครับวงกลมอันนี้ซ้อนทับกันทั้งสามมงใช่หม<ช>ครับใช่ถ้าเป็ น, นเราดู เ, เคยดูเคยเล่นปลาลูกดอกน ะ, ระตรงกลางก็คือเป็นวงกลมที่สามตัวเราก็จะเป็นวงกลมที่สองแล้ววงกลมนอกก็จะเป็นเรื่องของชาติทีนี้วงกลมที่สามที่อยู่ข้างในสุดเนี่ยนะจุดแดงๆเนี่ยมันก็ครอบหมด อ๋อครับคือ ม, มันจะวาดรูปยังไงเรจะอธิบายให้ฟังมันเป็นศูนย์รวมของอทั้งหมดะนะครับก็จะบอกคำสอนตรงนี้ได้ซึ่งพอถ้าเราดูตรงนี้เราก็จะพบว่ า, เ, าเราจะรักษาแล้วก็ให้สังคมเนี่ยมันหมุนไปได้กันตัวเราหมุนไปได้ทั้งในภพนี้และภพอื่ น, นจะเป็นผู้ที่สนใจแค่นี้ เราทางมาแห่งทุรีเราก็จะหลีกเลี่ยงได้ใช้ใจ่ายซับเราก็ใช้ใจ่ายอย่างดีไม่ต้องพูดว่ารวยหรือจนหรอกนะมันไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเราเป็นผู้ที่มีโควตัพย์ก็คือรวยแน่นอนแต่จำนวนเงินนี้เราไม่ต้องพูดถึงว่าปริมาณเท่าไหร่ถ้าคุณใช้ใจ่ายซับในอย่างนี้แสดงว่าคุณเป็นคนมีโคย์ครับจำนวนเงินตัวเลขไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวแลใช่ มันจะสบายใจมากมากเลยนะหมอทวดพงถ้าอาดมารทราบข้อมูลนี้ก่อนนะตอนที่อาดมาเป็นคาวาสนะแม่เราจะมีความแฮปปี้มากเราจะรู้ทิศทางว่าเราจะไปทางไหนครับเพราะเรามีอิธิบายนี่นะเรรู้ว่าเราจะบริหารทิศบริหารครอบครัวของเรายัางไงเราจะรู้ว่าเราบริหารใช้จ่ายทรัพย์ยังไงนะเราจะรู้ว่าเราจ ะ, ะจัดการกับพวกคนชั่วที่มาใกล้ตัวเราหรือว่าเรื่องต่างๆที่มากระทบอย่างไรนะเราจะสบายใจได้ ที่เราต้องมีวงกลมตรงนี้คอยป้องกันตัวเราและมีอธิบาทเอยมีสติทัท้ง6เอยเราจะมีการใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างนี้มีการดูแลเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องคอยป้องกันตัวของเราคือพูดง่ายๆว่ามีแต่จะหนักลําหน้าไปเรื่อยๆหมอรพงศ์ครับเรากําลังเข้าสู่สัทธันตรกับฟังให้ดีรเรากําลังเข้าสู่สัทธันตรกับ เป็นยังไงครับท่านสัทธันธระกับเนี่ยคือช่วงเวลาที่มีการสู้รบติดต่อกันอย่างไม่หยุดหย่อนตลอด7วันทุกคน<อ>ในที่นั้นถืออาวุธในมือนะฆ่ากันฟันกันอย่างกับผักปลาครับอืมตอนนั้นเนี่ยจะเกิดในสมัยที่มนุษย์มีอายุ10ปีไง<อ>จากนี้ไปเนี่ยอายุไขสัน้นอ่ามนุษย์เนี่ยจะมีอายุไขค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าความที่มีราคะโวสัโมหะมาก มลพิษออกมามากอาหารก็ไม่ดีอาหารไม่ดีคนเราก็อายุน้อยลงน้อยลงจนทั้ง อ, อายุเนี่ยมนุษย์มีอายุขย10สิบปีตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่มีสัทันตรกับคือจะมีความเสื่อมแย่งต่างๆ ม, มีปรากฏเลยนะมนุษย์นี่ก็ห้าห้าขวบก็มีลูกแล้วนะ<อ>แล้วก็ไม่เห็นไม่มีความเคารพเอื้อเฟื้อเ อ, อื้อกวูนกันในมาดาบิดาอะไรตา่างๆไม่มีหมดเลยที่นอครูบาอาจารย์ไม่มี ใช่มนุษย์ก็กินหญ้าที่เรียกว่ากับแก่แทนการกินข้าวพันุข้าวหายไปพันุ์ข้าว<อ>ไม่มีพันุข้าวดีๆไม่ถูกเก็บเอาไว้นะค่อยๆ ย, ยหมดไปหมดไปนะเหลือแต่ต้นหญ้ากับแก่เท่านั้นเองอแล้วก็อากาศมันก็ไม่ดีเพราะมีมลภาวะมาก้พืชพรรณตัญญาหาแรงต่างๆที่มันโตตามธรรมชาติก็เสื่อมสิ้นไปนะจะมีสมัยที่เรียกว่าสัตว์ถันตะกับ<อ>ตรงนี้แหะเรากําลังเข้าไปสู่จุดนั้นไง<อ>นะเพราะนี้พรพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะ แต่ช่วงจะเสื่อมไปมันเป็นเรื่องธรรมดาอช่วงเวลานี้พระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้กล่าวไว้ใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่ร้อยกี่พันปีใช่ไหมครับก็แปลผัลตามกิเลสของเราของของวงกลมที่สองไงครับถ้าวงกลมที่สองมีกิเลสมากมันก็สืบเนื่องมาจากการที่เรามีกิเลสมากอนะอถ้าเรามีกิเลสมากคนนั้นก็มีกิเลสมากมันก็มากขึ้นไปเรื่อยเมันก็ยิ่งเข้าใกล้เร็วขึ้นอ๋อเสื่อมเร็วขึ้นใช่ถ้าเรามีกิเลสน้อยเราทานกับตัวทวนกระแสใช่ไหมเราชักยชวนคนอื่นมาทวนกระแสด้วย แนวะวงกลมที่หนึ่งของเรารักษาไว้วงกลมที่สอ ง, องเราก็รักษาไว้มันก็เข้าสู่ตรงนั้นช้าช้าลงอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยคนในสมัยนั้นเนี่ยพอเขาตายกันหมดใช่ไหมกลับชั่วๆมันตายไปแล้วเนี่ยก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากเข้าร่วมแลห น, ะนีไปในถ้าไปใน ท, ที่ที่ซ่อนตัวได้ตลอดเจวันหลังพอตลอดเจวันออกมาเห็นสภาพนี้โอ้โ ห, โหเลยตั้งหน้าตั้งตาทําความดีกันต่อไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็หมุนขึ้นอีกครั้งหนึ่งในะชีวิตมนุษย์ก็ค่อยๆยืนขึ้นยืนขึ้น ยาว น, นานมากขึ้นอ่าเพราะกิเลสลดลงลดลงมีการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในจักรยานมันก็ปั่นไปได้เร็วขึ้นใช่ไหมเพราะวงกลมตรงนี้มันปั่นไปได้เร็วขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแแข็งแรงขึ้นเพราะเรามีการเอือเ้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีการตอบแทนกันแล้วมันไปได้ไงวงสองธรรมะสองอย่างนี้นะเหมาระพงศ์ที่ทําให้โลกหมุนไปได้คือบุพการีกับกตันยูกตเวทิตาเพราะฉะนั้นตรงเนี้คุณคุณมีกิเลสหนาเนี่ยมันก็ไม่ ตอบแทนคุณเขาคุณกิเลสนะคุณก็ไม่เอื้อเฟื้อคนอื่นก่อนมันก็ยิ่งเข้าสู่ความต่ำไงครับจริงครับจึงต้องรักษาวงกลมในลักษณะของที่หกในขอบเขตของเราในในที่ท้งหในขอบเขตของส่วนรวมในเรื่องของชาติครับนี้ก็ต้องอย่างแฟนที่ฟังรายการของเราก็จะเป็นผู้ที่ทวนทวนกระแสนะครับใช่ต้องช่วยกัน แล้วก็หมุนกระแสแห่งธรรมจักรให้เป็นไปให้ได้ไดในรเรื่องนี้เนี่ยย้ำกันอีกทีนึ่งนะนี่จะเป็นตอนจบของแผนที่ชีวิตนะอันที่1เรื่องของที่ทั้ง6นะอันที่2การใช้จ่ายเงินนะทางเงินเข้ามาสี่หรือ5้าทางนะเงินออกไปสี่ทางระวังหลุมพลางเจ็ดอย่างนะทางเข้ามีทางหนึ่งบนฟ้าด้วยไหวดูวให้ดีนะอันที่ 2. ข้อแรกอันที่3เราพูดถึงเรื่องอิทธิบาตสีนะคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะในลักษณะที่ทําให้จิตของคุณเป็นหนึ่งได้เป็นสมาธิได้นะมีชันทะวิเรียจิตตะวิมังสาแลนะมีความเพียรชีวิตเราจะไม่จืดชืดชีวิตเราจะมีความหมายมีค่าอันที่4คุณต้องรักษาวงกลมคือบุ ป, ปการีกัตันยุกตะเวทิตาตรงนี้เอาไว้ให้ได้ครับคือพระพุทธาพูดถึงวงเดียวนะคือโดย ร, รวมหมด อกระตันยูกระตะเวทิตาแล้วก็บุปการีบุปการีที น, นี้ที่อาจะมามารวมกับที่ตั้ง6จึงทำให้เห็นเป็นวงแรกขึ้นมาแล้วก็กลุ่มเพื่อนของเราก็จะเป็นวงที่สองขึ้นมาเท่านั้นเองโดยพุทธประชนะพูดถึงวงเดียว ค, คือรวมทั้งหมดนะครับสินะ่อย่างนี้ทำให้คุณเป็นแผนที่ในชีวิตได้แล้วก็ดีมากๆเลย ใน3มตอนที่เราพูดกันมาทั้งหมดนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำเป็นโบนัสสำหรับปี2อห้าห้า่อนะาเราจะมารวบรวมเรีเปลี่ยงเรื่องนี้กันใหม่ด้วยนะแล้วก็คิดว่าจะได้มาให้ฟังต่อไปครับในคราวต่อต่อไปนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้มีอีกตอนหนึ่งคือเรื่องของคำถามที่คุณเอดีเขาฝากไว้อ๋อครับ จากคำถามต่อนเนื่องจากตอนที่49นะครับเรื่องของสัมมเณรคือท่านท่านคุณเอ<ม>็มดีบอกว่าในกรณีที่เหมือนกับว่าการบวชสั ม, มเณรเช่นในกรณีบวชหน้าไฟจากการ<ม><ม>เสียญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ย<ม><ม>จะมีได้บุญกุศลมากน้อยประการใดนะครับบุญกุศลนี่เกิดจากการที่เรารักษาศีลสําหรับพระนะศีล ส, สมาี่ปัญญาจะเป็นทางมาเพื่อบุญสํำหรับบวชคนที่บวชแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอาศัยบวชอยู่หน้าไฟหลังไฟ บวชด้วยความศรัทธาบวชด้วยความฟุ๊กๆมาบวชแต่ถ้าคุณรักษาศีลถ้าคุณมีศีลเท่านั้นน่ะนะโอเคคุณได้บุญอ่ะออืืมมแค่นั้นเองหลักการง่ายๆนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีประเพณีอย่างนี้มารดพงศ์เขาพอบวชออกมาปุ๊บเนี่ยเอาเงินใส่บาตรพระเลยเออใส่บาตรพระใหม่ได้บุญเยอะเอาเงินมาใส่ก็ผิดศีลทันทีเลยแทนที่จะได้บุญกับไม่ได้บุญซึ่งก็อซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ไม่ต้องทํำซะก็ทำสิ่งที่จะเป็นบุญ อ, นะอะไรที่มันถูกทำถูกพี่แนเราก็ทาจะหน้าไฟหลังไฟก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้ปฏิบัติตามสิ่งก็แล้วกันครับทำดีนะหมอนะานวบ๋เนาะวันนี้ต้องอขออนุญาตท่านผู้ฟังหนละเพราะว่ามันใช้เวลานานมากเพื่อที่ใช้จบตอนก่อนที่จะขึ้นปีใหม่แล้วก็ในเรื่องของคำถามถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้ก็แล้วกันที่เปี่วธรรมะคอมนะครับคือ ร า, รายการวันนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของปี2554นะครับ<ช>เป็นการส่งท้ายปีเก่าเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ในคราวต่อไปนะครั บ, รบแล้วเราก็จะเริ่มปีที่สองขึ้นปีที่สองของอเปิดทำที่ถูกปิดเพาพออนไลน์ทางพิวธรรมะ e อทคอมครั บ, รบพระอาจารย์มีข้อธรรมหรือว่าอะไรที่จะฝากแก่ท่านผู้ฟังในเรื่องของส่งท้ายปีเก่าไหมครับมีอามารยได้มีจัดทำเป็นเพนคาสเอแล้วก็ให้ท่านฟังไปติดตามดู วิดีโอชุดนี้ในทาง p พียวธร m มะดอทอก็แล้วกันเรื่องปฏิจจสมุปาทใช่ไหมครับต่อจากนั้นจะมีอีกอันหนึ่งจะเป็นตอนต่อซึ่งจะเอาขึ้นในวันที่24คริสต์มาสอีฟนี่แหละโอเคงั้นก็ท่านผู้ฟังก็ติดตามในทางออนไลน์นี้นะครับงั้นก็พบกันใหม่ในตอนหน้าครับกับน้ัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไห่โศกจังหวัดอุดรธานีครับเิน ับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ